นะโมตัสสะพั a กวาโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพังกวาโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพังวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะสุขโผญยสสะอุจโยติ มันดับต่อไปป <c oughs> อยพวกท่านนั้งหลายลงตั้งใจหลับตาดูหัวใจไม่ต้องมาดูตมาแล้วดูหัวใจตัวเอง <c oughs> ใจมันเป็นยังไงบัง่งเรานั่งภาวนาเรามานั่งปฏิบัติใจนะ เรามาปฏิบัติใจใจมันเป็นยังไงอะไรควรที่แจ้งใหเปลี่ยนแปลงใจมันดีหรือใจไม่ดีให้สารวจตรวจตาดูใจมันเป็นยังไงบ้างแต่ละเมื่อแต่ละวันแต่ละเดือนและปีเราได้ประพฤติ ท, ทำมานานแล้วทุกคนได้นั่งสมาธิ นได้ภาวนาสวดมนต์ทุกคนมีคุณธรรมมีศีลธรรมแล้วแต่ใจของเราเป็นยังไงบ้างมันดีขึ้นไหมมันเปลี่ยนแปลงไปในทางดีหรือมันเหมือนเดิมหรือมันเสื่อมนี่เป็นยังไงต้องดูนะเหมือนกับเรามีลูกเราต้องดูว่าลูกเราสั่งสอนมานุนนานแล้วสั่งสอนมันลูกมันดือ้อ ลูกมันบอกว่านอนสอนไม่ได้เราต้องอาศัยพ่อแม่ที่เรื่องนางนมพยายามบอกพยายามสอนให้มันรู้ยดีอยู่ให้มันรู้เองมันเป็นไปได้ยากมันต้องพ่อแม่ต้องเอาใจใส่ใลูกจะไปจะมาจะอยู่ที่ไหนจะคบใครจะทำอะไรต้องอยู่ในสายหูสายตาดูแลมัน พยายามเตือนพยายามบอกพยายามสอนถ้ามันไปทางผิดทางไม่ดีเราพยายามบอกสอนมันใจของเราก็พอๆกันน่ะแหละเรามาปฏิบัติใจนะ่ะรักษาใจนะ่ะใจของเราเป็นยังไงบ้างเราสำรวจตรวจตาใจมันรู้ธรรมะมากน้อยสักปันใด แล้วลดละปล่อยวางได้มากไหมตั้งแต่ประพฤติปฏิบัติมาก็าต้องดูนะ่ะอ่าศินเราบริสุทธิ์พุรถ่องหรือไม่หรือมันยังด่างยังพ่อยอ่ายังไม่บริสุทธิ์เราต้องสํารวจตรวจตาถ้ายังมันไม่ดียังไม่โป่องไม่ใสยังไม่บริสุทธิ์เราก็พยายามแจ้ไขเปลี่ยนแปลงให้ศินบริรสุทธิ์เมื่อสินบริสุทธิ์ใจกับบริสุทธิ์ อภาวนาก็ง่ายก็ดีทําให้ใจเป็นสมาธิได้ง่ายเมื่อใจดีแล้วเราฝึกดีแล้วเป็นคนที่มีศีลมีธรรมมีคุณธรรมประจําใจแล้วเราก็อยู่อย่างเบาอยู่อย่างสบายไม่มีอะไรมาเก่อมาควรมาวุ่นมาวายภายในหัวใจถึงจะเข้ามาเราก็มีสติมีปัญญ า, เ, าเพราะเราได้ฝึกมาดีแล้ว ไม่ต้องกลัวค่าศึกมันจะมาทําลายอ่าภายในบ้านเรานี่คือมันก็นการแบบพฤติปฏิบัตินี่ถ้าเราฝึกดีแล้วไม่ต้องกลัวว่าจิเลสอตัวไหนมันจะเข้ามาก่อก ว, วนยั่วยุนทําให้ฟุ้งต้านวายทําให้เสียผู้เสียคนอถ้าเราฝึกดีแล้วมันไม่มีปัญหาเราลูกมันพอมันมาแล้วก็รู้ แล้วก็แจก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นั่นเรามาฝึกใจเรามาปฏิบัติใจมีใจเท่านั้นแหละอ่าอย่างอื่นไม่มีหรอกมันออกจากหัวใจดีก็ออกจากหัวใจชั่วก็ใจตัวนี้แหละพาชั่วดีก็พายใจก็มาจากหัวใจตัวนี้แหละพาดีจะไปนรกก็ดีจะไปสวรรค์ก็ใจตัวนี้จะไปถึงพระนิพพานก็เพราะใจตัวนี้จะบมด ที่เล็ดตัหาอาตาวะออกจากใจแถวนี้จะชั่วจะดีจะสูงจะต่ําออกจากหัวใจอ่ามีใจอย่างเดียวอะจะไปสวรรค์ได้ก็เพ่อใจจะไปนรกเพราอใจเพราะนั้นเรามาปฏิบัติใจรักษาใจอบรมสั่งสอนมันทุกวันทุกวันทําให้อ่าจิตใจมันสงบอเมื่อ ใ, ใจมันสงบใจมันมีความสุข ในรหว่างใจมันสงบกายก็สงบวาจาก็สงบก็อยู่เป็นสุขจะภาวนาจะไปจะมาจะอะไรก็มีสติมีปัญญาเว ร, รรมบาปกรรมทั้งหลายก็ไม่สามารถจะเกิดจะเป็นขึ้นมาได้เพราะเรามีคุ ณ, ณธรรมคนที่มีคุ ณ, ณธรรมนั่นทำบาปไม่ลงทำบาปไม่ได้พอจะทำบาปทำกรรมผิดจัตสินอยากทา เรามีสติมีปัญญาอ่าดูแลอ่หัวใจเราอยู่เราก็ทําให้ลงทำไม่ได้ก็เรากาพึ่งให้มันดีขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปนักก่งสมาธิภาวนาอย่าขี้เกียจอย่ามักได้ยอย่านอนเตื่นสายตื่นขึ้นมาได้ปล่อยพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาสชำระสาสางจิตใจให้มันผองมันใสให้สํารวจตัวจตาดูทุกเวลา นอกกิณา น, นสังขารร่างกายของเรามันเป็นยังไงเราต้องน้อมมาพิจารณามันแปรปลีนเปลี่ยนแปลงไปนะสังขารร่างกายนี่มันไม่ได้อยู่คงเส้นคงวามันมีการแปรปลนเปลี่ยนแปลงมันมีการสรุญสูโสูอเราจ ะ, จะต้องพิจารณาในแต่ละทั้งสามมาเห็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงอะไรมันเที่ยงมีไหมอยู่ในสารพังร่างกาย ของพวกเราทั้งหลายตลอดทุกสิ่งทุกประการมีอะไรเที่ยงถ้าเราตั้งอยู่กับความไม่เที่ยงอ่าจะพี่นาความไม่เที่ยงมันเห็นความไม่เที่ยงทุกเวลาทุกวินาทีมองไปเห็นความไม่เที่ยงได้ยินกับไม่เที่ยงอ่ะเรามองดูสิมองดูคนอื่นมองดูใจของเรามองดูเรามองดูคนอื่นมันเที่ยงตรงไหนนั่นถ้าเราตั้งอยู่ความไม่เที่ยงเห็นเห็นก็ เป็นของไม่เที่ยงแต่ยิ้นก็เป็นของไม่เที่ยงอ่าน้องก็มาม่เที่ยงสักสิ่งสวัสการถ้าเราตั้งใจว่าอยู่กับอนิจจังอ่าก็เห็นความไม่เที่ยงโอถ้าเราตั้งอยู่ในความทุกข์ก็เห็นทุกข์อยู่ทุกเวลาทุกวินาทีอเรานั่งเป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์ยืนเดินนั่งนอนเป็นทุกข์มีแต่ทุกข์เั่านั้นสังขารร่างกายของพวกเราทั้งหลายมันไม่ได้อยู่สุขสบายนะ มันสุขกับสุขประเดี๋ยวประดาวแค่นั้นจะหาความสุขอันแท้จริงมาได้เราต้องพิจารณาเห็นอนันจังพวมเมตยงทุกขังมันเป็นทุกข์จะได้เกิดนิพิทาความเบื่อหน่ายในธาตุในขันในสังขารร่ากายในการที่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์อเราพิจารณาไปอีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราขนไถ่เราสะสมเงินทองเครื่องของสมบัติพระสถานค่าทาสปริบาล เพชนิจินดาที่เราหามาคิดว่าของกูของเรามีอะไรบ้างเป็นของเรามีไม่หาดูที่นั่งหานอนหาดูพิจารณาดูเวลาเราตายแล้วมีอะไรเป็นสมบัติที่จะติดตัวเราไปได้มีอะไรบ้างอะไรบ้างถามดูหมดดูหมดเพ่งขับไปดูภายในธาตุสี่ดินน้ลาลมไฟเรามันยึดมันติดอยู่ในกายของเราเนี่ยส่วนมาก มันหวงยังถามมันยังหวงยังแหนอยู่มันยังยึดยังติดยังมีความพอใจยินดีคือในธาตุในขันในสังขารร่างกายถึงจะแก่มันก็ไม่ยอมอยากจะแจกนะมันสู้มันต้านมันต้านความแจกมันต้านธรรมะของพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าว่าเกิดขึ้นมาแล้วต้องแจกนะอ่ะฟังสิพระเจ้าว่าเกิดมาต้องแจกเกิดขึ้นมาต้องเจ็บนะเกิดขึ้นมาต้องตายนะ เราน้อกมาพี่นาทุกวันทุกวันทุกวันแต่ใจนี่แพี่นาเรื่องอันจังทุกขังหน้าตามันไม่ค่อยชอบหรอกมันมันไม่ไปตามกระแสของมันไม่ไปตามกิเลสกิเลสมันไม่ชอบแบบนี้มันชอบโวงสวยควงมงามความสนุกะนานเฮอาพวกนี้มันไปทางโนดไปทางกิเลสไปเท่าไหร่ยิ่งวุ่นยิ่งว่ายิ่งมีทุกยิ่งมีปัญหาตามมาบางทีมันอะไปหา ปัญหาเข้ามาใส่ตัวอ่าหาความทุกข์มาใส่ตัวเองปกติของใจเนี่ยมันอมันไม่ได้อยู่นิ่งเฉยน ะ, ะมันดิ้นมันรนมันตะเกียกตะกายแต่เรามาปฏิบัติมาประพฤติปฏิบัติอ่ามานั่งสมาธิภาวนาเมื่อจิตใจสงบแล้วมันไม่ทุกข์มันไม่วุ่ไม่วายเราจะพิจารณาจะบแท่งเขาภายในกายเห็นอนิจจัง ชัดเจนเห็นทุกครั้งแน่นอนเห็นน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นของเราทุกอย่างสักประการใจมันจะมายึดมาติดมันจะมาเอาตรงไหนมันจะพอใจยินดีอยู่ตรงไหนพิจารณาแล้วมันไม่ได้สักอย่างจริงที่เราคิดว่าเป็นของเรามันก็ไม่ได้เป็นของเราสิ่งที่ว่าเป็นอ่ที่เรายึดเราถือว่าจะจะได้มันก็ไม่ได้มันไม่ได้สักอย่างสักประการ ในโลกในสงสารอ่าสักวันหนึ่งก็ต้องแตกต้องสลายความแฉะมันแฉะไปทุกวันทุกวันสังขารร่างกายถ้ามันมาตายง่ายกับแฉะคนแฉะเป็นยังไงเวลาเดินเวลาเหินเวลาไปเวลามาเห็นไหมมันสวยมันงามมันหล่อมันเหลามันดีตรงไหนมันสุขตรงไหนแฉะเท่าไหร่ก็าพึ่งพาอาศัยตัวเองก็ไม่ได้พวกเราทั้งหลายมันก็ต้องเดินทางไปเส้นเดียวกัน ไม่มีใครหลงเหลืออยู่ในโลกนี้ได้แม่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสด า, า, าเอกของโลกก็ยังนี้ไม่พ้นความแจ็บความเจ็บความตายจะเป็นพระราชามห า, หากาัตรย์ก็ทนอยู่ไม่ไหวนั่นใครพิจารณาดูสิเพราะฉะนั้นเราจะมาพอจะยินดีอยู่แค่นี้เป็นการที่ชิดผิดเข้าใจผิดนะอเราจะได้ไรเวลาหมดลมหายใจแล้วทุกสิ่งสุกประการไม่มีความหมาย ถ้าสี่ดิน น, น้ำลงไปอัตภาพร่างกายจะยกให้ใครใครก็มาต้องการใครก็ไม่อยากได้มันมีความสวยไม่มีความงามไม่มีความโสภาเลยมันน่ารังเกียจมากอ่าไปดูสิตามโรงพยาบาลคนไข้คนป่วยคนจะร่มจะตายมันน่าสมเพชเวทนาเมื่อยังมีชีวิตชีวาอยู่อยู่ด้วยกันดีๆคิดว่าจะมาไม่เจ็ไม่เจ็บไม่ตาย พอถึงวันเวลาแล้วมันก็ไปเป็นไปตามสภาพของสังขารอ่าสังขาร น, นี้เกิดขึ้นมามันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่เราต้องพิจารณาทุกวันทุกวันเมื่อเราพิจารณาแล้วใจมันก็สงบใจไม่เปิดไม่เพลิ น, ไ ม, นไม่ลุบไม่หลงอ่าเราจะพิจารณาได้กับรู้เห็นตามความเป็นจริงทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเข้าใจทั้งปล่อยทั้งวางทั้งลดทั้งละ ไม่ยึดไม่ถือไม่สําคัญมั่นหมายในสิ่งตั้งหลายทั้งปวงอในธาตุในขันในสมบัติพระสจานไม่มีอุปทานอ่าในธาตุในขันในสังขารน่างกายอุปทานคือความยึดมั่นถือขันว่าเป็นเราเป็นเขาไม่มีในหัวใจเราจิเลสมันจะอยู่ที่ตรงไหนที่เรายึดเราถือเราสําคัญมั่นหมายว่าเราว่าเขานะ่ะที่เป็นที่อยู่ที่อาศัยคมตัวจิเลตอ่าไปยึดไปถือมัน่ มันก็มีตัวมีตนอยู่ในหัวใจจะปล่อยจะวางมันก็ไม่ยอมมันไม่ยอมปล่อยจมวางเราก็มายึดมาติดมาข้องมาคาจะไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้ห่วงนุ่ห่วงนี่อยู่ใจมันไม่ใช่ธรรมดาเลยถ้าเราทำใจให้สงบเป็นสมาธิ่เรามันรู้มันเข้าใจมันมองเห็นมันปล่อยได้วางได้ครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัต ท่านทุมเททั้งกายและใจอ่าสู้ตายเลยอ่ะอดตลับขับตะนอนอดนอนผ่อนอาหารต่อสู้กับสังขารนา่งกายต่อสู้กับจิเลสอศทรมานใจแล้วยังไม่พอยังทรมานธาตุขันสังขารนั่งกายจินมากมันเดื้อจินมากมันไม่ฟังอ่ามันไม่สงบมันพุ่งสร้างวุ่นวายท่านก็นลดอ า, อาหารลงจินน้อยนอนน้อยอนอนก็พอประมาณ อ่าชันก่อนนิดเดียวนั่นพรามละมานธาตุขันสังขาร น, นั่งกายน้อยเนี่ยจิตใจมันอยกปรุงแต่งไปทางโลกทางสังสารทําให้เกิดกิเลสตนาสะวาราฆาโทสามุหะท่านพยายามจัดอพยายามต่อต้านพยายามต่อสู้ไม่ไปตามกระแสของความอยากแอ่ความอยากของใจเนี่ยมันอยากในฟังฝ่ายต่ําำทางฝ่าสูงสาดีมันไปมันยัง ไม่มันยังไม่อยากหรอกมันยังรู้มันยังไม่รู้ยังไม่เห็นอ่าทางที่จะไปสวรรค์นิพพานมันยังไม่ได้รับผลจากการบุพฤติปฏิบัติถ้าเรานั่งสมาธิภาวนามันจิตใจมันสงบเยือกเย็นแล้วอมันอยากจะได้อะไรมันปล่อยมันวางได้หมดถ้าใจมีความสุขใจดีใจสงบแล้วอภัยได้ทุกสิ่งทุกประการมีคนมาดุมาด่ามาว่าอ่าอภัยได้นั่นมันอยู่ที่ใจ ถ้าใจไม่ดีล่ะใครมาดุมาดา่ามาว่านิดว่าหน่อยมานินท่าก็ไม่ได้นั่นแค่อารมณ์แค่น น, นิดเดียวเป็นเรื่องเป็นราเป็นโทษเป็นภัยขึ้นมานี่คือหัวใจเพราะนั่นนักปฏิบัติต้องอดทนต่อสู้ต้องลดต้องละปฏิบัติเพื่ออะไรเราปฏิบัติเพื่ออะไรต้องเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติแลรวนั่งสมาธิภาวนาเป็นอย่างไรบางคนเขายังว่า เ, ออเข้าวัดเท่าไหร่ยิ่ง เอยิ่งไม่ดีอ่ะคนที่เข้าวัดบางคนก็นมีมานะทิฏฐิว่าตัวเองรู้มันไม่รู้จริงอ่ะยิ่งมีมานะทิฏฐิมากการประพฤติปฏิบัติเพื่อลดเพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางนะเอทําตัวให้อทาตัวให้ต่าลงไม่เป็นผู้ที่มีมานะทิฏฐิตัวมานะทิฏฐิทําให้เสียผู้เสียคน เสียกิริยาบัญญัตเพราะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติเราต้องรักษากายให้ดีอย่ารุ้อำนาจของจีเลสรักษาวาจาให้ดีรักษาหัวใจใจมันจะคิดจะฟูงจะแต่งในทางบาปทางกรรมทางจองทางทางกรรมทางเวรเราต้องพิจิตริจารณาต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงใจมันเปลี่ยนมันแต่งได้มันคิดไม่ดีแล้วเปลี่ยนมันดีได้ มันไม่สุขชิดให้มันสุขได้มันมาสบายชิดให้มันสบายได้มันแค่ความชิดนิดเดียวน่ะชิดให้มันทุกคนทุกขึ้นมาในปัจจุบันนี่แหละคิดให้มันสบายมันก็สบายขึ้นมามันไม่สบายแล้วเปลี่ยนความชิดใหม่เปลี่ยนความชิดใหม่ให้มันอยู่สบายเมื่อใจดีแล้วนั่งสมาธิมันก็ดีมันก็สงบมันก็สบายคำวัดบริกรรมโทนาพุทโธพุทโธ อพุโตหรือกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกดูจะลมหายใจเข้าหายใจออกอนอกอยากนั่นภาระหน้าที่เราต้องปล่อยต้องวางต้องวางไว้ก่อนในขณะที่เรานั่งสมาธิภาวนาอภาระหน้าที่ต้องวางวางไว้ให้เราคิดว่าเรานั่งอยู่ในโลกนี่คนเดียวอเอาขนาดนั่นนะไม่ต้องคิดถึงคนนั่นคิดถึงคนนี่เราอยู่คนเดียว อยู่ในโลกนี่คนเดียวนะไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังไม่ต้องคิดอดีตอนาคตตัดอดีตออกตัดอนาคตออกมันถึงจะสงบนะใจถึงจะนิ่งใจถึงจะเป็นหนึ่งได้นะถ้าเราตัดไม่ได้เี่ยมันก็คิดอยู่นั่นปุงอยู่นั่นมันปุงมันแจงอยู่ทั้งวันเนวะลานั่งไม่ลาบมันไเศร้า ح, มันมาจากที่ไหน่ความคิดของมันคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้นันน่นใจ มันไม่ใช่ธรรมดาเพราะนั้นเราต้องหกักต้องห้ามหนึ่งคือหนึ่งไม่ให้มีสองใจให้นิ่งใจให้เป็นสมาธิกำหนดมีสติมีปัญญาฝึกสติฝึกปัญญาให้แก่กล้าสามารถต่อสู้ต่อต้านกับความคิดความปุงความแต่งกับจิตัณหาะอาสวะราคะโทสะโมหะพยายามลดละให้มันลดน้อยถอยล่วงไป มันจะได้อยู่อย่างเบาอยู่อย่างสบายตัวจิเลสเนี่ยมันทําให้หนักหนักอกและหนักใจหนักไปหมดมนี่จโลกในี่สงสารหาความสุขคนสบายมันได้ถ้าเราไม่หักไปห้ามแล้วปล่อยให้จิเลสมาแผดมาเผามาอ่าทําลายจิตใจของเรานี่มันไม่มีความสุขหรอกถึงจะอยู่ประสารราสวรรค์ก็หาความสุขความเยือเกเย็นไม่ได้มีเงินมีทองมากมาสักฟันใด ถ้าใจมันไม่สงบใจมันไม่มสบายมันก็ไม่มีความสุขความสุขไม่ได้อยู่กับเงินกับทองกับสมบัติเสมอไปนะอ่ามันอยู่ที่จิตที่ใจถ้าใจดีะอยู่ที่ไหนกด็ดีอยู่ที่ไหนก็สบายอยู่กับท better, อัอปหลังเล็กก็สบายอยู่คนเดียวก็สบายอยู่กับหมู่กับพวกก็สบายอยู่ในโลกเป็นสบายไปก็สบายมากก็สบายตาไปก็สบายมากเกิดก็สบายน่าถ้าใจของเรามันสบายแล้วแล้วฝึกดีแล้ว เราไม่รู้อำ น, นาจของตัวกิเลสเราต้องต่อต้องต้านต้องอดทนต่อสู้เห็นมาคู่บาอาจารย์ท่านสรพันธ์สรบตายคู้บาอาจารย์ท่านไม่ใช่ธรรมดาพระพุทธเจ้าควจะแต่สัดสรู้เป็นพระสมาสัมมิจเจ้าสรบัตั้งสามครั้งหนึ่งพวกเรามันเป็นยังไงบ้างต่อสู้ขนาดไหนวันหนึ่งอได้ประพฤติธรรมกี่นาทีวันหนึ่งมียี่สิบสี่ชั่วโมง เราปติ ธ, ธรรมกี่นาทีในบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธในดัด่งสมาธิมากน้อยสักปันใดในสํารวจตรวจตาสังกานร่างกายนิจังทุกขังน้าตาวันหนึ่งกี่นาทีเนี่ยเราต้องดูเรานะอืมวันเวลามันผ่านไปผ่านไ ป, นไปมันไม่ผ่านไปเฉยนะอาถภาพร่างกายกําลังมังตามัมนผ่านไปลดน้อยถอยลงไปตามันก็เสื่อมหูมันก็เสื่อม จะโม่เพิ่ก็เสียมเรื่อมันก็เสียมกำลังมังสามันกระสุดสุดมันเสียมไปเนื้อหนังมังสามันไปโดยอัตโนมัติเราไม่รู้ตัวน่ะว่ามันแฉะนะมันไปโดยอัตโนมัติน่ะมันเสีอมไปหมดไปน้อยลงไปน้อยลงไปเราไม่อยากแฉมันก็แฉไม่อยากเจ็บมันก็เจ็บไม่อยากตายมันก็ตายเราจะหลบจะหลีกเราจะหนีไปที่ไหนพ้นมีทั้งหลบมีทั้งหลีกมีทั้งหนีไปที่ไหนได้ไหม ไห้พิจารณาทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยเมื่อหลบความเจ็บไม่ได้หนีความเจ็บไม่ได้หนีความตายไม่ได้ใจมันก็อยู่เนี่ยพิจารณาทุกวันวันทุกวันบอกสอนวันนี้เจ้านะมีเจ็บมีตายนะมีความพัดภาคจากกันนะไม่วันใดก็วันหนึ่งจะต้องพัดภาคจากของรักของชอบใจพัดจากลูกจากหลานจากสมบัติพระสถานถึงแม้เรามาจากจากมันก็จําเป็นจําใจจะต้องจากนะ มีเงินมีทองมากฝากสักปันใดก็ซื้อไม่ได้อซื้อไม่ให้เจ็บไม่เจ็บไม่ตายทําไม่ได้เอถึงเราจะแจ้งใหอเราจะปุงจะแต่งจะเสริมมั่งกันไม่กี่วันกี่เดือนกี่ปีหรอกมันก็เป็นไปตามสภาพของมันอยู่ดีๆนะไม่มีใครหนีไปที่ไหนได้พิจารณาทุกวันทุกวันทุกวันมันจะกลัวมันมันจะยอมไหมนั่นปกตินี่ใจมันไม่ค่อยยอมนะ่ะ อ่ามันพวกนีอ้อยอมภาพที่ได้เรื่องเจ็บเปรียบเจ็บตายอ น, นิจจังทุกขงาาังนัตตาบางทีคิดว่ามันเป็นอัปปะมงคลอ่าพระพุทธเจ้า ว, ว่าเป็นมงคลอ่พาพระเจ้าถามพระพุทธเจาถามพระอานุนอานน์ซึ่งเป็นพุทธอุทากของพระเจ้าอานุนเธอระนึกถึงความตายวันละกี่ครั้งอา น, นุ์ตอบพระพุทธเจ้า ว, ว่าวันละร้อยครั้งพระเจ้าค่ะโอ้เธอ ทำไมประมาทมากอานนนโทนถามวายาวจะให้ข้าวองนึกถึงความตายวันละกี่ครั้งให้นึกถึงความตายทุกลมหายใจก็ออกนู่นล่ะพวกเราวันหนึ่งไม่เคยนึกไหมนึกถึงความตายวันละร้อยครั้งก็ยังดีอ่ะมันไม่ถึงร้อยหรอกวันละสิบยี่สิบครั้งอยีายเนี้ยปกติมันออกไปทางนอก มันเพลิดมันเพลินไปตามลูกตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสมบัติพระสถานตามลูกตามห ล, า, มหลานอ่าเป็นไปมองลูกงองหลานนู้นอ่ะมองสมบัติพระสถานนั่นก็ดีก็มองก็รักษาแต่ว่าท่า น, นภายนอกนั่นเรื่องของโลกเรื่องของธรรมะเราก็ต้องให้มีนะ่ะให้มันได้ทั้งภายนอกและภายในได้ทั้งสมบัติอ่าทั้งโลกทั้งสมบัติภายในเราจึงจะไม่ขาดทุนสุนกําไร ที่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเราเกิดขึ้นมาได้เป็นมนุษย์นี่แสนที่จะทุกข์แสนที่จะลำบากถ้าบุญไม่มีบุญไม่ถึงก็เป็นคนเป็นมนุษย์ไปได้แต่เกิดเป็นสัตว์สารสิ่งเป็นนกเป็นหนูเป็นกระอกกระแตเป็นหมูเป็นหมามันอยู่อย่างทุกข์ทรมานไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ใสมองดูสิสัตว์ทั้งหลายนี่มันลำบากแค่ไหนเพราะนั้นพระเจ้าจึงว่า มนุษย์เป็นผู้ประเสริจเลิศกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเลิศอย่างไรมนุษย์นี่ตัวเล็กๆ เ, เนี่ยมีส ต, ติมีปัญญาสามารถมีความรู้มีความสามารถสอนให้ประนุษย์ไปสวรรค์ไปถึงพระเยิพานได้สอนให้สัตว์ไปสวรรค์มันก็ไม่รู้เรื่องุ ร, ราใรักษาส็ไม่เป็นให้ทานก็ไม่ได้ท่านก็ดีก็ดีแบบสัตว์เจงก็เจงแบบสัต่ะถึงมันจะตัวใหญ่ตัวโ ต, วตวมันก็ภูมิปัญญา มันจะบองมันสู้มนุษย์ไปได้แต่ม น, มนุษย์เรานี่เป็นผู้ประเสริฐถ้าเรารู้จักเอานำมาเอานําเอามาใชา้แต่ละเมื่อละวันนี่ถ้ามันมีคุณค่าในชีวิตของพวกเราทั้งหลายคุณค่าของคนมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่คุณธรรมอ่ามันมันมันอยู่ที่อื่นไกลนะอยู่ที่คุณธรรมคนมีคุณธรรมอะอยู่เป็นสุขอ่าไม่ขาดทุนอยู่ในโลกนี่ก็ดีไปที่ไหนก็ดีอยู่อยู่ที่ไหนก็ได้ อยู่ที่ไหนก็มีความสุขได้ น, น่ะพวกเราทั้งหลายอย่าพากันผัดวันประกันพุ่งวันเวลามันผ่านไปผ่านไปความแจกแก่ไปแจ่ไ ป, แ จ, ไปแจ่ไปแล้วอ่าถ้าไม่เห็นความแจกกับไอซองดูกระจกมันเป็นยังไงเนี่ิดตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาอ่าตั้งแต่แรกเกิดมาถึงปัจจุบันทุกวันนี้อายุยี่สิบสามสิบปีนี่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ นั่นมันเป็นสักิลเป็นพยานเห็นได้ชัดเจนเลยมันแฉะจริงๆริงมันเจ็บจริงจริงมันตายจริงๆคนตายแล้วก็ตายให้เราเห็นอยู่คนรวยก็ตายคนจนมันก็ตายอคนฝรั่งอังกฤษอยู่ประเทศไหนมันก็ตายทั้งนั้นมีแฉะมีเจ็บมีตายนั่นพระเจนะว่าเกิดขึ้นมาคัมมามีเกิดต้องมีตายไม่ว่าชาติชาติชาติาวันณะไหนตายกันทังนั้น ตลอดต้นไม้ภูเขามันก็ยังตายตึกร้านบ้านตลาดสร้างหรูหรามาใหญ่โตมาสร้างมาอย่างอาวรนอย่างดีมันยังมีผุ ม, ผมีพังมีแตกมีสลายในที่สุดก็สลายไปทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะตั้งอยู่ตลอดไปได้สังขารร่างกายของเรามันบอบบางถึงขนาดไหนมันแค่หนังห้่มหอกกระดูกเปิดเข้าไปภายในมันมีอะไรดีมีอะไร สวยอะไรงามนี่แหลเป็นที่พึ่งพอใจนั่นพิจารณาดูซิเราจะพิจารณาสุภอ้ากรรมฐานก็เห็นอสุภอากรรมฐ า, านนี้จะเสื้อผ้าทั้งนั้นเต็มไปด้วยมดูดด้วยพูดเต็มไปด้วยเลือดด้วยน้องเต็มไปด้วยภูโลเหตอาหารใหม่อาหารเก่าพิจารณาดูซิทํางไมมันจะเกิ ด, กดความเบื่อหน่ายในธาตุในขันในสังขารร่างกายทํางไมมันจะเกิดนิพพานให้เราพิจารณา ทางไหนมันจะปล่อยได้วางได้ละได้ทางไหนมันจะละจิเลสได้ให้มันเบามันบางมันลดลงไปไม่ใช่ว่าปฏิบัติมานมมานานมันเหมือนเดิมอยู่มันไม่ลดไม่ละมันยังใช่ไม่ได้นะเราต้องสำรวจตรวจตาต้องพิจารณาต้องผมต้องปูต้องทอ ร, รมานจิตใจของเรานี่ยต้องพยายามฝึกให้ได้ทำให้ได้ เ้าฝึกดีแล้วปฏิบัติได้ดีแล้วจะอยู่ยังไงก็มีไม่มีปัญหาจะอยู่ก็ไม่เป็นไรตายวันไหนก็ไม่มีปัญหาอยู่ได้ตายไม่ก็สบายยอมไปสู่สุปฏิเอยาก ง, ง่อยไปอยู่สวรรค์นู่นะอ่ะก็ไม่ต้องหาปลาม่ต้องตืสวิ์ทิพพระสมบัติอายุกย็ยืนยาวหนึ่งวันบนสวรรค์เท่ากับร้อยปีในโลกมนุษย์อยู่ยังสุขสบาย ไันมีโลกมีภัยไม่มีไข้มีเจ็บเมื่อหยุดติดจากสวะวันเมื่อเกิดโลกวันนัดก็จะเกิดในตระกูลที่ดีเป็นลูกเศรษฐีกระดุมทีมีเงินมีทองมีสมบัติพัสถานมีขาาทาสบริวารมีทุกสิ่งทุกประการเพราะมาจากบุญเพราะอาศัยบุญบุญมาจากที่ไหนมาจากการมาจากการปฏิบัติมาจากการบาเพ็ญกุญามความดีถึงจะมีบุญมีบารมีคนมีบุญมีบุญมีบารมีนั่น เกิดขึ้นมาถึงยังไงก็มีความสุขจะทํามากา่าขายจะทําอะไรก็ประสบผลสำเร็จทุกสิ่งทุกประการออมีผัวกัผัวดีมีเมียกับเป็นคนดีมีลูกก็ดีพ่อก็ดีแม่ก็ดียศท้าบรรดาศักดิ์เงินทองเจ้าของสมบัติพระสถานข้าทาสบริบาลมีทุกสิ่งทุกประการนั้นกับเอ่นสวรรค์ในโลกมนุษย์อันหนึ่งเกิดขึ้นมาไม่ทุกละกําลําบาก มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญนั่นเราเกิดขึ้นมาอย่าให้มันเสียทีเกิดขึ้นมาดีดาตาก็ดีหูก็ดีสติก็ดีปัญญาก็ดีเอาไว้ทําไมมันสมองมีกายนี่ใช่มันมีคุณค่ามันเป็นประโยชน์ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนานี่บุญจากการไหว้พระจากการนั่งสมาธิภาวนาอ่าบุญได้มาจาก การไหว้พระสวดมนต์จากการรักษาศีลจากการประพฤติ ท, ทำนั่งสมาธิกำหนดจิตกำหนดใจอมันไม่ตายหรอกอวันหนึ่งนั่งสมาธิเห้านาทีสิบนาทีก่อนนอนนั่งทุกวันนั่งทุกวันมันสงบหรือไม่สงบเราทําทุกวันบุญก็เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันใจก็ผ่อนแกใสทดลองดูสิเรานั่งสมาธิเราใจของเรามันผ่อนมันใสมันมีความอบอุ่น อถ้าเรานั่งปฏิบัติภาวนาถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่ภาวนาเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งเกิดขึ้นมาเอาอะไรเป็นที่พึ่งเราจะพึ่งอะไรมันพึ่งไม่ได้สักอย่างสมบัติพระสถานเงินทองเข้าของพึ่งได้ชัโชระยะมีลมหายใจเขาออกเมื่อตายไปแล้วหมดลมแล้วพึ่งตรงไหนได้พึ่งพ่อก็ไม่ได้พึ่งแม่ก็ไม่ได้พึ่งสามีภรรยาก็ไม่ได้พึ่งลูกพึ่งล้านก็ไม่ได้ มีบุญเป็นที่พุนพึ่งมีบุญเป็นเพื่อนที่จะติดตัวเราไปข้างหน้าท่านว่าบุญนี่เปรียบเทียบมันเงาเราไปที่ไหนเงาย่อมติดตัวเราไปนั่นที่เราสะสมบุญกุศลกุงามความดีมันไม่ได้ไปที่ไหนมันอยู่ในหัวใจเราตลอดเวลาเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปก็มีบุญน่ะคนนี้บุญย่อมไปที่สูงย่อมไปที่ดีบุญเป็นของดีบุญเป็นของสูงไม่ใช่เหรือ บาปเป็นของไม่ดีเราไดทํามันดาลใหม่ประโยชน์อะไรเรามีสติมีปัญญาอ่าเป็นคนดีเรแล้วก็ไปในทางที่ดีไปในทางนิสูกคิดดีไปดีมาดีเหมืนก็เป็นคนดีอสร้างบุญสร้างบารมีทำใจให้มีเอสีนมีธรรมมีคุณน่าทำปฏิบัติธรรมให้มองคนอื่นในทางที่สงสารเมีทามีควา จงรักภักดีแก่สรรพสัตว์มิญฉาทั้งหลายปุตติปิศาว์เขามีทุกข์มีธาตุมีขันมีสังขารร่างกายเราจะไปเบียดเบียนเขาทําไมเราอยู่ในระดับนี้ไม่ต้องทําให้ผิดศีลหรอกไม่ต้องไปฆ่าสัตว์จัดชีวิตไม่ต้องไปลักไม่ต้องไปขโมยไม่ต้องบวชผิดในกามไม่ต้องไปมุสาวาดปูหกหลอกลวงคนอื่นไม่ต้องไปดื่มเหล้าเมายาสูบพันชยาปิ่น มันมันมันเ ม, นมาเรารักษาสินห้าได้ไปถึงสวรรค์นี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าเราทํำไม่จะทำไม่ได้เราอยากจะไปสวรรค์ไปได้ทุกคนอยู่ที่นี่มีสิทธิ์ที่จะไปได้จะไปทางไหนก็ได้ไปนรกไปได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปน ร, ร, ร, รกนรกก็ยังเปิดทางให้ไปสวรรค์สวรรค์ก็ยังว่างยังเปิดทางให้แล้วจะไปสูงหรือไปต่ําแล้วจะไปดีหรือไ ป, ไ ป, อไปชัว่วเราจะเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดี มันไม่ดีกับพยายามแจ้ไขเปลี่ยนแปลงเสื้อผ้าผ่าอนเรามันสกปรกโสโ ค, โคกแล้วยังมีซับมีสบู่มาซักมาฟอกให้มันสวยมังามให้มันสะอาดอ่าใจของเรามันก็มีธรรมะเป็นเครื่องซักฟอกให้ผอมให้ใสให้ดีให้งามเมื่อใจดีงามแล้วเราก็เป็นผู้ที่มีคุณธรรมดีคุณธรรมสูงอ่าเกิดขึ้นมามาเสียทีที่เกิดขึ้นมาดี ชาตินี้ก็นี่ชาติหน้าเอาดีก็นี้เอาสบายก็นี้่าชาติหน้ายังมีนะ่ะเพราะใจของเรามันยังยึดมันยังติดมันยังห่วงอ่ามันยังพอใจยินดีอยู่ในธาตุในกันในสังขารร่างการในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภาพตมามอารมณ์มันยังปล่อยยังตัดไม่ได้มันยังเสียดายอยู่วิญญาณว่าจะมาเอานะเอาแล้วมันเป็นทุกข์แบบยึดน่ะมันเป็นทุกข์ ใจของเรามันก็ยังไม่ยอมมันยังเดือ้อมันยังเอาอยู่ยังมายึดมาถือถ้าเราไม่ยึดไม่ถือไม่ยินดีไม่ยินร่าในธาตุในขันนสังขารรัางกายแล้วความทุกข์มันจะมาจากที่ไหนไม่ยินดีไม่ยินร่าไม่ดีใจและไม่เสียใจในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถือว่าเป็นสิ่งธรรมดาเกิดขึ้นมาแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่ บาปทำเราอย่าไปทำเลยทำแต่บุญทำแต่ดีเ้วทำบุญทำดีใจดีแเราก็มีความสุขอะความสุขมันอยู่ที่เราเองเราจะเอาให้มีความสุขก็ได้เราจะเอาไม่ดีก็ได้นี่ยวันนี้ก็อให้เตือนลูกเตือนหลานพอประมาณพอขอให้ทุกคนน้อมนําไป น้อมนําไปพินิษฐ์คิดเจรนะให้ปฏิบัติให้ปฏิปบัติอย่าลดละอย่าท้ออย่าถอยชีวิตของเรามันอเดิดหาความตายทุกวันทุกวันนะวันนี้ก็เที่ยงเบี่ยงบายไปแล้ววันก็หมดไปวันนี้ก็จะหมดวันเวลาไปแล้วเราต้องคิดนะอ่าเราจะได้ไม่ทําวันนี้เราจะทําวันไหน อ่าสินไม่มีก็ตำรวจตรวจตาอ่ารักษาให้มันได้วันนี้ทำวันนี้ได้ใจมันไม่ดีก็แจ้งหาเปลี่ยนแปลงไปอา่าเปลี่ยนแปลงไปทำใจให้งามทำใจให้ดีงามทั้งภายในงามทั้งภายนอกนั่นมันน่ารักน่าสงสารเทวบุตรเทวดาทั้งกับมองทั้งก็ดูแลรักษาโอ้พวกนี้อา่าปรพฏิญสินจรินอยู่นะทำเป็นคนดีทั้งกะ อนโมธนาท่านกับกู้ปกองปกป้อ ง, อ ง, อ ง, อ ง, องรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุขแต่และคนมีเทวุตรเทวนาดูแลรักษาไม่ต่ํากว่าสองนะดูแลอยู่แล้วทําผิดท่านก็รู้ทําถูกแล้วก็รู้นั่นน่ะทําหน้าที่แจ้งที่รับอย่างไรก็เราก็ปิดบังหัวใจเราไม่ได้เราทําดีแล้วก็รู้ทําผิดเราก็รู้รรนั่นเราจะแจ้งหรือไม่แจ้งอยู่ที่เรา อเราจะแจะไหมเราจะทำดีไหมมันอยู่ที่เราจะให้ใครมาแจะให้ใครมาปล่อยมาวางมาลดมาละให้ใครมาสร้างบุญบารมีให้เราเราต้องทำเองเราทำต้องทำเองอเมื่อเหมือนโลกมนุษย์นี่อ่ามีอะไรยังแบ่งยังปันกันได้แต่ธรรมะธรรมโมจิตใจนี่ต่างคนต่งา ง, งปฏิบัต ต่างคนต่างก็ ท, ำำทําบําเพ็ญนะของใครของมันนะเพราะนั่นเวลามากมาคนเดียวเวลาตายก็ไปคนเดียวนะพ่อกไปกับเราไม่ได้แม่กไปกับเราไม่ได้นะไปได้ถึงแค้กองไฟเท่านั้นแหละสามีพระรยายะลูกหลานก็ไปส่งถึงแค่ของไฟเงินมีมากมายสักปันใดเอาเสืมือเสีปากให้ไม่จี่สตางห์น่าสลดใจไหมเพชรยินดาก็ไม่ให้หรอกเอาไว้หมดเลย นั่นคิดให้ดีคิดให้ดีอะไรที่จะเป็นสมบัติของเราถ้าเราเข้าใจว่าเออบุญนะบุญมาจากที่ไหนมาจากการกระทำอะไรเป็นบุญบุญก็เป็นหายากคนที่รู้จักบุญนั่นทำได้ทุกเวลาทุกวินาทีทุกสถานที่ถ้าทำใจให้ดีก็เป็นบุญคิดแต่เรื่องบุญคิดจะเรื่องดีมองคนอย่าให้มองในทางบวก อย่าไปมองทางลบน้อมมาเป็นธรรมะมองในทางถูกก็ดีใจของเราก็ดีมีแต่ความชุ่มลึกพักดีมีแต่ความสงสารเมตตากับเพื่อนมนุษย์เกิดเจ็เ จ, จ็บตายอยู่มาถึงพันตีก็ต้องแตกต้องตายจากกันไปแล้วทำไมเราจะมาทะลาะวิวาด<ม>แตกแยกสามาัญชีเราต้องมีคุณธรมมมททรมมีเมตตาธรรมนั่นคือสิ่งที่สำคัญ วันนี้ก็ขออำนาจุณภาษีรัตนไตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลมันดานให้พวกท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญปารธนาสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสาเร็จโดยตนหน้ากันเถินสาธุ